เรียนท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่เราจะมาคุยธรรมะกันอยู่ทุกๆวันในวันแรกของสัปดาห์เจอกันใหม่ๆแล้วก็ เสมอด้วยอากาศทํายังไงให้เสมอด้วยอากาศนะอากาศธาตุเนี่ย แล้วก็มันมีช่องๆเนี่ยในกายของเรา นะเพิ่งแม้เสาร์อาทิตย์ยังไม่ทันหมดดีอยากขอมีเสาร์อาทิตย์เพิ่มอีกน่ะก็ นําไปวางได้สิจ๊ะเราก็สบายเราค่อยไม่มาทุกกระสิ่ง นะเช่นเดียวกันไอ้การภาวนาการปฏิบัติของเราเนี่ยเรามาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องทําให้ บนท้องฟ้าในเกมพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยแม้ส่องสว่าง อ่าดวงจันทร์บนฟ้ากับดวงจันทร์ในน้ํามันแยกระหว่างการกระจิกออกแต่คือแยกกันไม่ใช่ว่าแยกกันออกไป แต่ระลัวน่ะไม่ทุกข์ไปด้วยนี่คือประเด็นเรามาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยหูจมูกลิ้นกายน้ําพามาทางกายของเรา ใจของเราที่ไอ้ช่องทางต่างๆเหล่าเนี้ย 5 ช่องทาง 6 ช่องทางเนี่ยมันจะเป็นช่องทางที่เข้ามวล แต่เห็นว่ามันเป็นคนละอ่านกันเห็นมันแยกกันไปอยู่ได้มันเป็นคนละอันกันมันเป็นคนละส่วนกัน โอ้มันเป็นตัวเรามันเหมือนจริงจริงๆเลยไอ้ๆจริงๆๆอะไรเนี่ยนัมเบอร์ 1 เรายังไม่เห็น แล้วเราปัญหารอยต่อตรงนี้มันไม่เห็นด้วยเพราะถูกบัง แม้ใจส่วนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ไอ้ใจส่วนที่มันมันเน่ามันเละมันไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยมัน ไม่สามารถลอกออกได้ไม่สามารถดึงออกได้นั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยมีปัญหาตรงนี้อ้าวแล้วเราจะ 2 อย่างนี้มันจึงต้องมาด้วยกันแล้วทํายัง ไม่ใช่เป็นว่าเป็นหนทางที่เราไปเดินกันจริงๆจังนะคือการไปสู่นิพพานเนี่ย ทำไปอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถเอ่อทําไอ้พวกกิเลสทําแต่ไปตามตลาดสดทําอวิชชาเนี่ยมีปัญญาอย่างที่ว่า คมมากเลยวับๆๆๆนี่รับกันอยู่ตลอดเวลานี่ปาดทั้งมันน่ะออกมาหนังลอกออกมาเนื้อสันลอกออกมากระดูกลอกไปและด้วยความรวดเร็วๆๆๆมากเลยไหนเพราะว่า วะวะแล้วก็โสโครปกเมนเนี่ยมีดปลาดลงไปคนที่จะตรวจสอบนี้ต้องมีเครื่อง แล้วก็ป่าสิ่งเช่นไรการโกหกหลอกลวงนะการพูด ปัญญานี่ไม่ใช่ว่าคุณต้องจบดอกเตอร์หรือว่าปริญญาตรีปริญญาโทอะไรพวกๆของมันเท่านั้นเองเห็นตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงประโยชน์มันก็ หรือว่าหูเราได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรเป็นเหตุของตาของหูไอ้พวกนี้มันมาได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าก็ เพราะฉะนั้นหนฏิฉิกเกิดขึ้นของเจ้าตาหูพวกนี้นั้นคือภาษานั่นเองแล้ว เป็นเรียนภาพสวยๆงามๆแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ขึ้นมาใช่มั้ยอันนี้คือ ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าคุณเห็นจริงละเห็นตาม 6 ง่ายมุม ในข้อที่มันจะทําให้ลุ่มหลงคืออะไรในจะสามารถที่จะปล่อยว่าเอ๊ะไอ้ไอ้ความคิดต่างๆนะ มันไม่ได้ไม่ได้ทําไมไม่ได้ถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิแล้วถ้าจิตเราไม่เป็น 1 เนี่ยไปเรื่องนั้นมันทําไม่ได้เลยแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมาพิจารณาไตร่ตรองคิดเรื่องนี้จิตคุณ เอ่อตั้งต้นนะจุดที่สําหรับเป็นเสาให้จิตของเรามาเป็นที่อยู่น่ะเป็นที่อยู่ของจิตนะถ้าจิตของเรามีที่ แต่เราเป็นหนึ่งเราเห็นตามที่มันเป็นจริงได้ 4 5 แง่มุมนี้